บทที่หนึ่งพุทธาจาริยศาสตร์ระดับต้นถ้าจะถามว่าระดับของพุทธาจาริยศาสตร์มีอยู่อย่างไรหรือพุทธาจาริยศาสตร์มีกี่ระดับคําตอบคือสมระดับได้แก่ 1. พุทธาจาริยศาสตร์ระดับต้นเป็นจริยศาสตร์เพื่อความสงบเรียบร้อยของสังคมหลักธรรมคือศีลห้าธรรมหทิฏฐห สพุทธจริยศาสตร์ระดับกลางเป็นจริยศาสตร์เพื่อการขัดเกลารตนเองให้มีคุณธรรมสูงขึ้นหลักธรรมคือศีลแปดหรือกุศลกรรมบท 10. สิบสพุทธจริยศาสตร์ระดับสูงเป็นจริยศาสตร์เพื่อพัฒนาตนสู่ความเป็นอริยชนหลักธรรมคือมารคมีองแปด ในที่นี้จะไม่พูดถึงรายละเอียดของหลักธรรมเหล่านั้นเพราะมีตำราให้อ่านอยู่มากแล้วแต่จะหยิบยกปัญหาบางประการที่เกี่ยวกับหลักธรรมเหล่านั้นมาพิจารณาเป็นเรื่องๆไปศึกษาในกรณีที่เป็นปัญหาหน้าสงสัยและพิจารณาว่าที่ถูกควรจะเป็นอย่างไร ในบทนี้จะนำเอาสาระสำคัญของศีลมากล่าวก่อนพอเป็นแนวทางดังนี้หนึ่งศีลสาระสำคัญของศีลสังคมมนุษย์เดือดร้อนวุ่นวายด้วยเหตุหลายประการเช่นความยากจนโรคภัยไข้เจ็บความขัดแย้งทะเลาะวิวาทเป็นต้นแต่สาเหตุสำคัญประการหนึ่งที่พวกเรามักมองข้ามไปคือ การที่คนในสังคมขาดการควบคุมตนด้วยศีลล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่นทางร่างกายบ้างทางทรัพย์สินบ้างมนุษย์จึงรู้สึกหวาดหวั่นพรันพรึงรู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินถ้าคนเราในสังคมควบคุมตนด้วยศีลได้ไม่ให้ประทุษร้ายกันด้วยกายวาจาแล้ว สังคมของเราจะน่าอยู่กว่านี้มากมายทีเดียวสีลคืออะไรสีลคือเจตนางดเว้นความชั่วทางกายวาจาและทางใจด้วยเจตนางดเว้นทุจริตทางกายวาจาท่านเรียกว่าเจตนาศีลการงดเว้นจากมโนทุจริตสามเรียกว่าเจตสิกศีลคือสีลที่เกี่ยวกับใจโดยตรง แม้ไม่ทำด้วยกายวาจาก็ทำให้ศีลทางใจขาดได้มโนทุจริตสามนั้นคือหนึ่งอภิชาโลภอยากได้ของผู้อื่น 2. พยาบาทคิดปองร้ายผู้อื่นสมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดจากทำนองคลองธรรมเช่นเห็นว่าความดีไม่มีความชั่วไม่มีทำดีไม่ได้ดีทำชั่วไม่ได้ชั่วเป็นต้น คิดอย่างนี้เห็นอย่างนี้เป็นมโนทุจริตเป็นบาปทางใจส่วนที่ประพฤติผิดออกมาทางกายทางวาจาก็เป็นกายยทุจริตวจีทุจริตเว้นกายยทุจริตและวจีทุจริตจะได้จัดเป็นเจตนาศีลอธกถาทีคณิกายภาคหนึ่งหน้า377อยเจกถาขุทกนิกายหน้าหนึ และอธถกถาสังคณีหน้า188ได้กล่าวเรื่องวิรัตหรือเวรมนีคือเจตนางดเว้นนั้นมีสามอย่างคือ 1. สมาทานวิรัตงดเว้นด้วยการสมาทานคือตั้งใจไว้เช่นตั้งใจไว้ว่าจะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ดื่มสุราเมรไรเป็นต้นแล้วเว้นได้ตามความตั้งใจนั้น อย่างที่รับศีลหรือสมาทานศีลกันอยู่ในปัจจุบันสองสามปัตวิรัติงดเว้นได้เมื่อประจวบกับเหตุการณ์อันเป็นเหตุให้ล่วงละเมิดศีลไม่ได้ตั้งใจไว้ก่อนเช่นเห็นกระเป๋าสตางค์ของคนอื่นลืมทิ้งไว้ในที่ที่ไม่มีใครเห็นนอกจากตนทั้งเป็นเวลาที่ขาดแคลนทรัพย์ด้วย แต่เพราะคิดเห็นใจผู้อื่นจึงเว้นเสียไม่ถือเอาทรัพย์นั้นในเรื่องอื่นๆก็ทำนองเดียวกันคือเว้นความชั่วนั้นๆเยได้แม้มีโอกาสจะทำสามสมุตเฉทวิรัติการงดเว้นได้อย่างเด็ดขาดถอนรากถอนโคนข้อนี้หมายถึงการเว้นความชั่วของพระอริยเจ้า ซึ่งท่านได้มาพร้อมกับการบรรลุอริยมรรคอริยผลสำหรับปุถุชนพออนุโลมความชั่วบางอย่างที่ตนเคยทำแล้วต่อมาละเว้นได้เด็ดขาดและไม่คิดจะทำอีกเลยเช่นเคยติดสุราเห็นโทษของการติดสุราแล้วเลิกได้เด็ดขาดตลอดชีวิตไม่คิดจะดื่มอีกเลยนี่คือศีลในความหมายว่างดเว้นจากความชั่ว ยังมีความหมายอื่นๆอีกแต่จะไม่นำมากล่าวในที่นี้เพราะหัวข้อนี้ต้องการเน้นเฉพาะส่วนที่เป็นสาระสำคัญของศีลประเภทของศีลศีลมีหลายประเภทขอเลือกกล่าวในที่นี้แต่เพียงห้าประเภทคือหนึ่งวาริตศีลหมายถึงข้อห้ามคือพระพุทธเจ้าทรงห้ามไว้ว่าอย่าทำ ใครทําเข้าเป็นผิดศีลเช่นทรงห้ามภิกษุฉันอาหารในเวลาวิการห้ามคฤรืหัดดื่มสุราเมรไรพร้อมทั้งชี้โทษไว้ให้ด้วยสองจารีตศีลหมายถึงข้อที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตเป็นพุทธบัญญัติว่าต้องทําถ้าไม่ทําถือเป็นผิดเช่นทรงบัญญัติให้ภิกษุทาอุโบสถ สวดปาติโมทกทุกๆ ก, กึ่งเดือนคือส5ห้าวันต่อครั้งถ้าภิกษุไม่อาภายไม่ทำอุโบสถเสยียเลยเพราะเกียรติคลานหรือเบื่อหน่ายอย่างนี้ผิดจารีตศีล 3. อาทิพรหมจริยกะศีลศีลที่เป็นข้อปฏิบัติเบื้องต้นของพรหมจรรย์หรือศีลอันเป็นส่วนแห่งบทบัญญัติสำหรับป้องกันความเสียหาย เช่นศีล227สำหรับภิกษุศีล ส, สิบสำหรับสามเณรเป็นต้นหรือศีลในองค์มรรคคือสัมมาวาจาสัมมากรรมตตะและสัมมาอาชีวะ 4. อภิสมาจาริกศีลคือศีลที่เกี่ยวกับความประพฤติมารยาทอันละเมียดละไมสมบัติผู้ดี 5. อาชีวะปริสุทธิศีล ศีลที่เกี่ยวข้องกับความบริสุทธิ์หมดจดแห่งอาชีวะไม่คดโกงหลอกลวงเขาเลี้ยงชีพมีความสำคัญมากในสังคมปัจจุบันคนไม่ค่อยไว้ใจกันในการติดต่อเกี่ยวข้องธุรกิจกลัวถูกโกงถูกหลอกถูกยักยอกเบียดบังเพราะไม่แน่ใจว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะซื่อตรงในอาชีพหรือไม่ เอาของเลวปนของดีขายอย่างเป็นของดีโกงตาช่างผู้ไม่มีความรู้ไม่ทันเล่เหลี่ยมของคนโกงในสาขาอาชีพนั้นๆยิ่งกิจการใหญ่ยิ่งทำสัญญากันอย่างเข้มแข็งรัดกุ่มควบคุมการทำงานอย่างเข้มงวดกวดขันพอเผลอก็ถูกโกงเสมือนหนึ่งว่าคอยจ้องจะโกงอยู่แล้ว ถ้ามนุษย์เราถือศีลในอาชีพเช่อย่างหนึง่งคนในสังคมของเราจะไว้วางใจกันสนิทสนมรักใคร่กันประกอบอาชีพร่วมกันอย่างเข้าใจเห็นใจกันเป็นสุขด้วยกันทุกฝ่ายสุขใจสบายใจเป็นที่ไว้วางใจดีกว่ามีเงินมากแต่เป็นที่หวาดระแวงของผู้อื่นไม่เป็นที่ไว้วางใจของผู้อื่น จบลงด้วยการถูกดูหมินรอบด้านมองหน้าใครไม่สนิทเหลียวหน้าไปแล้วสลดหดหูเพราะได้ก่อกรรมชั่วไว้มากความเศร้าหมองและความผ่องแพ้วของศีลศีลเศร้าหมองไปเพราะขาดทะลุด่างพร้อยศีลย่อมผ่องแผ้วเพราะไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทย วินยูชนสรรเสริญอันตันหาและทิฏฐิไม่เกาะเกี่ยวและเป็นไปเพื่อสมาธิอาขันดานิอัจฉิิดานิอสสบาลานิอากัมมาสานิู้ชิสสานิวินยุปสัสสะธานิอัปรามัฏฐานิสมาธิสังวัตตานิการิจากสารานิยธรรมสูตรพระไตรปิฎกเล่ม22 หน้าส2 2สิถึงีศีลขาดคือล่วงศีลพร้อมด้วยองค์เช่นปานาติบาตมีองค์5ข้อ 1. สัตว์มีชีวิต 2. รู้ว่าสัตว์มีชีวิต 3. จิตคิดจะฆ่า 4. พยายามในการฆ่า 5. สัตว์ตายด้วยความพยายามนั้น หรือบาดเจ็บสาหัสแล้วตายลงในการต่อมาอันเนื่องจากการฆ่าในครั้งนั้นศีลทะลุคือไม่ครบองค์ห้าเช่นทำให้สัตว์บาดเจ็บไม่ถึงตายศีลด่างเช่นมีความพยายามเพื่อฆ่าแต่ไม่สามารถทำได้เช่นใช้ไม้ป่ามันแล้วแต่ไม่ถูกศีลพร้อยเช่นมีเจตนาในการฆ่า จิตคิดจะฆ่าแต่ไม่ได้ลงมือทาศีลปานาติบาตไม่ขาดแต่พร้อยไม่ผ่องแพ้วส่วนศีลกรรมมาบทฝ่ายมโนกรรมข้อไม่พยาบาทขาดไปเพราะคิดปองร้ายเขาถึงตายเจตนาศีลไม่ขาดแต่เจตสิกศีลขาด ศีลที่ผ่องแผ้วนอกจากไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยแล้วยังมีองคุณอีกสี่อย่างคือเป็นไทยวินยูชนสรรเสริญอันตัญหาและทิฐิไม่เกาะเกี่ยวเป็นไปเพื่อสมาธิคำว่าเป็นไทยคือไม่เป็นธาตุไม่เป็นศีลธรรมอย่างธาตุใช้ในภาษาปรัชญาตะวันตกว่า self morality แต่เป็นศีลธรรมอย่างนาย Master Morality ลิีศีลธรรมอย่างทาตนั้นคือเพียงศัก์แต่ว่าถือสืบสืบกันมาไม่รู้จุดประสงค์ถืออย่างงมงายเป็นสีลับพระตาปรามาส่วนศีลหรือธรรมอย่างนายนั้นผู้ถือเป็นคนเข้มแข็งเป็นตัวของตัวเองรู้เป้าหมายวินิจฉัยพิจารณาตกลงใจด้วยเหตุผลและสติปัญญา เป็นศีลที่สามารถรักษาคนได้ไม่ใช่ให้คนรักษาศีลอย่างเดียวไม่เกี่ยวก่อด้วยตัณหาและทิฏฐิคือไม่ใช่รักษาศีลเพราะตัณหาและทิฏฐิเป็นตัวชักนาแต่ให้เหตุผลและสติปัญญาเป็นตัวนาเมื่อเห็นความผ่องแพ้วแห่งศีลของตนอยู่จิตย่อมเป็นสมาธิได้เร็วศีล น, นั้นจึงเป็นไปเพื่อสมาธิ สมาธิสังวัตตนิกานิโทษของความเป็นผู้ทุศีลผู้ทุศีนหมายถึงผู้ที่ไม่มีศีลหรือมีศีลเศร้าหมองท่านกล่าวไว้โดยยึดพระพุทธพจน์เป็นแนวดังนี้ 1. ไม่เป็นที่ชอบใจของเทวดาเทวดารังเกียจบุคคลเช่นนั้น 2. ต้องเดือดร้อนเพราะคนมีศีนเขายกย่อง เพราะตนเองรู้ตนเองดีอยู่ 3. เป็นเยี่ยงอย่างทางไม่ดีแก่ผู้อื่น 4. ถ้าเป็นภิกษุก็ทำให้ทยธรรมของทายกไม่มีผลมาก 5. เป็นคนมีค่าน้อย 6. ต้องหวาดระแวงอยู่เป็นนิด 7. หมดหวังในการบรรลุคุณวิเศษมีโสดาปฏิผลเป็นต้น8 เสื่อมทรัพย์เป็นอันมาก 9. ไม่แกล้วกล้าในที่ประชุมเป็นผู้เกอ้อเขิน 10. ชื่อเสียงทางไม่ดีฟุ้งขจรไป 11. ย่อมหลงทมการและกิริยาคือหลงตาย 12. หลังจากตายย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกจากพระไตรปิฎกเล่มที่22หน้า281อ และวิสุทธิมรรคสีละนิเทศอานิสงของความเป็นผู้มีสีสีมีความไม่เดือดร้อนใจเป็นอานิสงเย็นกายเย็นใจเพราะไม่เห็นโทษเครื่องเศร้าหมองใดๆของตนเหมือนบุรุษหรือสตรีผู้ได้อาบน้ำชำระล้างร่างกายเรียบร้อยแล้วบริโภคอาหารประณีตอันเป็นที่พอใจแล้ว ได้นั่งพักนะ้ร่มไสใหญ่ริมลำธารอันมีน้ำใสสะอาดท่านจึงกล่าวว่าว่วงน้ำคือพระธรรมไม่มีโคลนตมบาปคือเหงื่อใครศีลคือเครื่องรูปไลอันมีกลิ่นหอมไม่จางหายจากพระไตรปิฎกเล่มที่27ดหน้าสองเอ็ดกลิ่นดอกไม้ไม่หอมทวนลมแต่กลิ่นศีลของผู้มีศีล หอมไปได้ทั้งตามลมและทวนลมหอมไปทุกทิศกลิ่นศีลจึงยอดเยี่ยมอานิสงของผู้มีศีลตรัสไว้อีกหลายปริยายเช่น 1. ผู้มีศีลย่อมได้โคพคะพั์เป็นอันมาก 2. ชื่อเสียงทางดีย่อมฟุ้งขจรไป 3. แกล้วกล้าอาหานในที่ประชุม 4. เมื่อจะตายย่อมมีสติสังชัญญะไม่หลงตาย 5. เมื่อตายแล้วย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์จากพระไตรปิฎกเล่มที่22หน้า281ด้วยเหตุดังกล่าวมาท่านจึงสอนให้รักษาศีลรักษาศีลด้วยความเคารพในศีล เมื่อรักษาศีลดีแล้วย่อมเป็นผู้มีศีลประจําใจประจําตนศีลจะกลับมารักษาเราเหมือนเราปลูกต้นไม้รักต้นไม้รักษาต้นไม้ด้วยดีเมื่อต้นไม้เติบโตขึ้นย่อมหวนมารักษาผู้ปลูกนั่นเองคำสอนเรื่องศีลเรื่องวินัยก็เป็นคำสอนที่เกี่ยวกับกิริยาวาจา คือควบคุมกิริยาวาจาให้อยู่ในระเบียบดีงามเหมือนดอกไม้ที่จัดเข้าระเบียบดีแล้วย่อมดูสวยงามเพราะฉะนั้นพระสงฆ์ผู้ทรงศีลสำรวมกายวาจาด้วยดีจึงดูงามอย่างที่ท่านพันนาไว้ในคำพีวิสุทธิมักว่าพระราชาผู้ประดับแล้วด้วยแก้วมุกตาและมณี ก็ยังไม่งามเหมือนนักพรตผู้ประดับด้วยอาพรคือศีลเป็นต้นจากวิสุทธิมัชฌะเนรศีลนิเทศหน้าส2องฉบับภาษาบาลีพระสงฆ์เช่นนั้นย่อมเป็นที่รักเป็นที่เคารพเลื่อมใสของพระหูชนคือคนส่วนมากคนทั้งหลายยินดีรับฟังคำสั่งสอนของท่านผู้เป็นาศาสนทายาท และน้อมนำไปปฏิบัติตามก็อให้เกิดความสุขความเจริญในชีวิตพระสงฆ์ผู้มีศีลสำรวมกิิยาวาจาด้วยดีจึงเป็นแบบอย่างที่ดีของพุทธบริษัทอื่นๆภิกษุเป็นบริษัทหนึ่งในพุทธบริษัทกล่าวถึงพุทธศาสนิก ท, ที่เป็นครหัตก็ควรตั้งใจรักษาศีลที่เกี่ยวกับจริยามา ร, รยาททั้งหมด ที่ทางพุทธศาสนาเรียกว่าอภิสมาจาร์แปลว่าความประพฤติอันดียิ่งเช่นจะยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดก็คอยสำรวมระวังให้ดูสุภาพเรียบร้อยไม่ก่อความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นจะขอยกตัวอย่างมารยาททางวาจาสักษี่ข้อคือหนึ่งเว้นจากการพูดเท็จ พูดแต่คำสั์จริงอันเป็นประโยชน์และเป็นธรรมคือชาวพุทธเมื่อเว้นการพูดเท็จแล้วเมื่อจะพูดความจริงก็ควรพูดแต่ความจริงที่พิจารณาด้วยปัญญาแล้วว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นและเป็นธรรมคือยุติธรรมแม้จะเป็นประโยชน์แก่ตนบ้างก็ไม่ให้เสียความยุติธรรมต่อผู้อื่นไม่พูดจาเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่น ไม่นินทาว่าร้ายผู้อื่นให้เขาเสียหายโดยที่เขาไม่มีโอกาสรู้หรือกล่าวแก้ได้นอกจากนี้การพูดความจริงต้องให้ถูกกาลเทศะและบุคคลด้วยถ้าไม่ทำอย่างนั้นจะเป็นโทษมากกว่าเป็นคุณพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าคำที่แท้จริงมีประโยชน์พระองค์ยังต้องเลือกการเวลาอันเหมาะสมแล้วจึงตรัส นัยยะอภัยราชกุมาราสูตรมัชิมนิกายพระไตรปิฎกเล่ม13บข้อ94 2. เว้นจากการพูดสออเสียดคือเว้นจากการพูดยุยงให้เขาแตกกันเช่นนำความข้างนี้ไปบอกข้างโน้นนำความข้างโน้นมาบอกข้างนี้ด้วยเจตนาจะให้เขาโกรธเคืองกันแล้วแตกกัน หรือเจตนาจะให้ตนเป็นที่รักที่พอใจของผู้นั้นด้วยคิดว่าการทำอย่างนี้เขาจักพอใจชาวพุทธที่ดีควรเว้นวาจาสอดเสียดเช่นนี้แล้วพูดแต่วาจาสมานสามคัคคีนำแต่วาจาที่ดีมาบอกกล่าวให้เกิดความบันเทิงจิตด้วยเห็นโทษของการแตกสามคัคคีและเห็นคุณของความกลมเกลียวเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน 3. เว้นจากการพูดคำหยาบพูดแต่วาจาอ่อนหวานละมุนละไมชวนฟังฟังแล้วสบายหูชูกำลังให้สดชื่นเหมือนดอกไม้ได้น้ำค้างพรมคำหยาบนั้นมีหลายประเภทเช่นคำดา่าคำกระชดคำกระทบกระเทียบเปรียบเลยพูดจาแข็งกระด้างเหมือนมะนาวไม่มีน้ำพูดด้วยจิตโกรธลองคิดดูเถิด เสื้อผ้าเนื้อหยาบนุ่งห่มไม่สบายราคาเนื้อราคาตัวราคาถูกเหมาะสำหรับทำผ้าเช็ดหม้อถูพื้นเท่านั้นต่วนผ้าเนื้อดีเนื้อละเอียดอ่อนนุ่มห่มสบายนุ่มเนื้อนุ่มตัวราคาแพงเมื่อก่าวแล้วเขายังใช้สำหรับห่อรัตนะคือแก้วแหวนเงินทองเพชรนินจินดาฉันใดวาจาก็ฉันนั้น ถ้าเป็นวาจาหยาบก็ฟังราคายหูร้อนใจทำให้ท้อถอยเป็นวาจาราคาถูกสำหรับคนชั้นต่ำพูดกันส่วนวาจาอ่อนหวานนุ่มนวลฟังแล้วสบายหูเรื่นรมใจก่อให้เกิดกำลังใจดื่มดำระลึกถึงไม่ลืมแม้จะเนิ่นนานถึงสิปี2ี่สปีหรือห้า0ิบิปี เป็นวาจาที่คนชั้นสูงพูดกันใครพูดอยู่เสมอผู้นั้นเป็นคนชั้นสูงตามทัศนะของพระพุทธศาสนาเพราะพระพุทธศาสนาถือว่าคนจะเป็นชั้นเลวหรือชั้นสูงก็เพราะการกระทาทางกายวาจาและใจหาใช่พระชาติกำเนิดไม่เพราะฉะนั้นชาวพุทธที่ดีจึงควรพูดจาอ่อนหวาน สมเป็นพุทธบุตรผู้สืบอรรยะวงหรือวงอาระยะ 4. เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อพูดแต่วาจาที่มีประโยชน์คำเพ้อเจ้อคือคำไร้สาระพูดไปแล้วเสียเวลาเปล่าหาประโยชน์อะไรไม่ได้พูดเล่นพูดตลกขนองในวินัยสงปรับอาบัตทุกภาสิกแก่ภิกษุผู้พูดจาตลกขนอง ไม่เป็นอัดไม่เป็นธรรมคือพูดไม่มีประโยชน์ไม่ประกอบด้วยธรรมเพื่อให้เว้นคำเพิเจอร์ได้โดยมากชาวพุทธที่ดีจึงควรหัดพูดจาให้เป็นประโยชน์มีเนื้อหาสาระฟังแล้วได้ประโยชน์ไม่ให้เวลาล่วงไปด้วยการสนทนาภาทีแต่เรื่องน้ำท่วมทุ่งเหลวไหลก็ให้เกิดบาปอกุศล เพราะคำพูดและเรื่องราวที่พูดควรหัดพูดจากกันเรื่องปัญหาชีวิตวิธีแก้ไขปัญหาชีวิตเรื่องวิชาความรู้เรื่องการปรับปรุงตัวเองเป็นต้นในพระธรรมของพระพุทธเจ้ามีอยู่หมวดหนึ่งท่านเรียกว่ากระถาวัตถุแปลว่าถ้อยคาที่ควรพูดหรือเรื่องที่ควรพูดมีสิบอย่างเช่น สนทนาการเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเรื่องความสันโดษเป็นต้นเช่นสนทนากันว่าศีลคืออะไรจะรักษาศีลอย่างไรศีลมีอนิสงส์อย่างไรเป็นต้นเรื่องสมาธิและปัญญาก็เช่นเดียวกันการสนทนากันในเรื่องเป็นประโยชน์เช่นนี้แม้เวลาจะล่วงไปก็ไม่ล่วงไปเปล่า มีประโยชน์ติดไปด้วยเวลาของผู้เช่นนั้นเป็นเวลาที่มีประโยชน์ชีวิตของเขาก็เป็นชีวิตที่มีประโยชน์ไม่เป็นโมฆะชีวิตชาวพุทธที่ดีควรฝึกนิสัยให้เป็นคนกล่าววาจามีประโยชน์เว้นคำเพิรเจอร์เหลวไหลไร้สาระดูเถิดดูพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและนักปราชญ์ทั้งหลาย ที่ย่างยืดมาได้จนถึงบัดนี้ก็เพราะเป็นพระวาจาและถ้อยคำที่มีประโยชน์ที่กล่าวมานี้เป็นเพียงมารยาทของชาวพุทธโดยย่อยังมีเรื่องอื่นที่จะต้องพิจารณากระทำให้เหมาะสมอีกมากขอให้ชาวพุทธใช้ปัญญาพิจารณาด้วยตนเองเช่นเป็นผู้มีท่วงทีกิริยาเหมาะสมแก่ภูมิชั้นและฐานะของตน ไม่แสดงกิริยาวาจาดูหมิ่นผู้อื่นฝึกหัดท่วงทีกิริยาทั้งทางกายและวาจาให้เกิดความประทับใจแก่ผู้พบเห็นอันกิริยาวาจางามนั้นย่อมดีกว่ารูปงามแต่สามกิริยาอย่างแรกเปรียบเหมือนดอกไม้ที่รูปทรงไม่สวยแต่กลิ่นหอมอย่างหลังเหมือนดอกไม้รูปทรงดีแต่ไม่มีกลิ่น หรือกลิ่นเหม็นเช่นอุตจพิษมีแต่คนเขาเดินหนีรูปร่างหน้าตาของคนเป็นสิ่งที่เลือกไม่ได้แต่กิริยาวาจาเป็นสิ่งที่ชาวพุทธเลือกทำได้หรือแก้ไขได้ฝึกฝนอบรมได้อยู่ในอานาจของเขาคนรูปงามอาจทำให้คนอื่นชมว่าสวยแต่หามีใครชมว่าดีไม่ จะให้เขาชมว่าดีก็ต้องทําดีทางกายบ้างทางวาจาบ้างทางใจบ้างเมื่อใจดีเช่นใจมีเมตตาการุณาใจอ่อนโยนต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์โลกอื่นๆกิริยาวาจาที่แสดงออกก็ย่อมส่อให้เห็นว่ามีความการุณามีความปรารถนาดีอยู่ในใจเช่นเอื้อเฟื้อช่วยเหลือเด็กสตรีและคนชรา ในรถประจําทางเป็นต้นไม่ดูดายหรือทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นเสียสตรีก็เหมือนกันไม่ใช่ถือว่าเป็นสตรีแล้วไม่ต้องทําเอื้อเฟื้อใครคอยรับแต่บริการหรือความเอื้อเฟื้อช่วยเหลือจากผู้อื่นฝ่ายเดียวควรตั้งใจเอื้อเฟื้อช่วยเหลือถือของหนักของผู้อื่นด้วยจะเป็นชายหรือหญิงเด็กหรือคนชราก็ตาม เพราะนั่นเป็นความดีที่มาถึงแล้วเฉพาะหน้าไม่ควรปล่อยให้พ้นไปเสียโดยไม่ได้จับฉวยไว้ส่วนเพิ่มเติมบางประการเกี่ยวกับศีลปานาติบาจะมีโทษหนักหรือเบาอยู่ที่องค์ประกอบคือหนึ่งโดยวัตถุเช่นฆ่าคนที่ไม่มีความผิดฆ่าคนที่มีคุณมากเช่นมารดาบิ ด, ดาครูอาจารย์ ผู้ทำอุปการะต่อสังคมเป็นต้นมีโทษมากฆ่าคนที่มีคุณความดีมากเท่าใดก็มีโทษมากเท่านั้นเพราะนอกจากฆ่าคนนั้นแล้วยังเป็นการล้างผลประโยชน์ที่ผู้อื่นจะพึงได้จากผู้นั้นด้วยสองโดยเจตนามีโทษมากเพราะเจตนากลั่นแกล้ง เขามีความผิดเพียงเล็กน้อยเอาโทษถึงตายเพราะโทษาคติหรือเพราะอักติข้อใดข้อหนึ่งเช่นรับจ้างฆ่าคนเพราะโลภในทรัพย์ที่จะได้เป็นต้น 3. โดยประโยชน์คือการกระทำเช่นก่อนฆ่าให้ลำบากซะก่อนเช่นทุบตีให้บอบช้ำทรมานให้เสวยทุกเวทนาแสนสาหัสกว่าจะตายไป นอกจากนี้ยังมีการทําร้ายร่างกายการทรกรรมเช่นการใช้คนหรือสัตว์อย่างไร้ความปราณีปล่อยให้อดอยากหิวโหยนําสัตว์มากัดมาชนกันเพราะการพนันหรือเพื่อสนุกโปรดดูในอยู่กับธรรมแต่ไม่เห็นธรรมของผู้เขียนในหนังสือเพื่อชีวิตที่ดีเล่มหนึ่งกักขังสัตว์ให้ลําบากโดยที่มันหาความผิดไม่ได้ สมัยก่อนนิยมทำทรกรรมต่อคนที่มีโทษถึงประหารชีวิตด้วยการทรมานต่างๆเพื่อให้คนอื่นเห็นแล้วหวาดหวั่นไม่กล้าทำผิดเช่นนั้นเรื่องนี้มีผลดีผลเสียอย่างไรเป็นเรื่องน่าพิจารณาแต่บัดนี้ได้เลิกวิธีดังกล่าวเสียเป็นส่วนมากแล้วเรื่องการทรมานสัตว์นรกในยมโลกน่าจะได้ไปจากการทรมานในโลกมนุษย์นี่เอง การทรมานทรกรรมนี้ไม่เป็นปาณาติบาตโดยตรงแต่เป็นอนุโลมปาณาติบาตผู้หวังความสุขแก่ตนทำตนเป็นเครื่องเปรียบแล้วไม่ควรทาดังพระพุทธพจน์ที่ว่าสัตว์ทั้งปวงกลัวต่ออาจยากลัวต่อความตายรักชีวิตของตนทำตนให้เป็นเครื่องเปรียบแล้วไม่ควรฆ่าเองหรือใช้ผู้อื่นให้ฆ่า จากคุธกานิกายธรรมบทพระใจปิดกเล่มที่25หน้า32ข้อ20สอันทวักมองดูไปทั่วทุกทิศแล้วไม่เห็นใครในที่ไหนอันจะเป็นที่รักยิ่งกว่าตนตนของผู้อื่นเป็นอันมากก็เป็นเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นผู้รักตนจึงไม่ควรเบียดเบียนผู้อื่น สัป บ, บาดิสาอนุปริคัมมะเจตสาเนวัชขาปิยะตระมั ต, ตนากวัจจิเอวังปิโยปุถุอัตตาปเปเรสังตัสสมาณิหิงเสีปรังอัตกามโมสังยุตตะนิกายสขาทวักพระไตรปิฎกเล่มที่15หน้า109ข้อ348โกสลสังยุต อาทินาธานมีข้อเพิ่มเติมคือนอกจากลักหรือขโมยโดยตรงแล้วยังมีอาการแห่งการถือเอาโดยวิธีต่างๆอีกหลายอย่างเช่น 1. ฉกคืออาการที่ถือเอาเมื่อเจ้าของเผลอที่เรียกกันทั่วไปว่าฉกชิงวิ่งราวบางทีตีเจ้าของเสื้อก่อนเรียกว่าตีชิงวิ่งราว 2. กันโชค ใช้อำนาจหรือขู่ให้กลัวเพื่อให้เขายอมให้สิ่งนั้นแก่ตน 3. ปล้นถืออาวุธเข้าไปแย่งเอาของซึ่งหน้าสตู่ของที่ไม่ใช่ของตนแต่กล่าวว่าเป็นของตนบางทีต้องฟ้องร้องกันเพื่อสิทธิครอบครองเป็นเจ้าของหช่อเช่น ของที่เขาฝากไว้แล้วไม่ให้คืนเมื่อเจ้าของมารับคืนหกหลอกคือแสดงกิริยาวาจาลวงให้เจ้าทรั์เชื่อแล้วเอาทรั์ไปคนไปยืมของวัดอ้างว่าเพื่อนามาใช้ในการเลี้ยงพระนิมนต์พระไว้ด้วยบอกว่าวันรุ่งขึ้นจะมาคืนแล้วหายไปเลย 7. ลวงทำให้เข้าใจผิดเช่นลวงในการช่างของขาย บางทีเรียกว่าโกงตาช่าง 8. ปลอมของไม่แท้ยืนยันว่าแท้เช่นน้ำพึ่งปนน้ำตาลของไม่ดีปนของดีแล้วขายอย่างของดีบางทีเรียกว่าปลอมปนเก้าตระบัดมีตัวอย่างคือขอยืมของท่านไปแล้วไม่ส่งคืนกู้หนี้ไปแล้วไม่ยอมใช้หนี้ ทั้งดอกทั้งต้นหรืออย่างใดอย่างหนึ่งสิบเบียดบางมีตัวอย่างเช่นคนขายของในร้านได้เงินมาเบียดบางบางส่วนไว้เป็นของตนแม่บ้านหรือแม่ครัวไปจ่ายตลาดเบียดบางเอาเงินบางส่วนของท่านไว้จ่ายเงินซื้อของไม่เต็มจำนวน 11. ลักลอบมีตัวอย่างเช่น ลักลอบนำของหนีภาษีถ้าเป็นพระสงฆ์ในพุทธศาสนาท่านปรับอาบัติหนักถึงปาราชิกลักลอบทำสิ่งต้องห้ามเช่นต้มกลั่นสุราผิดกฎหมายเป็นต้นอาการแห่งอธินาทานหรือโจรกรรมทั้งหมดนี้ในสมัยปัจจุบันที่รู้กันเป็นส่วนมากว่าคอรัปชันผู้หวังความสุขในการบริโภคทรัพย์สิน ควรเว้นคอรักชันหรือโจรกรรมทุกรูปแบบหากินในทางสุจริตแม้หากว่าจะได้ทรัพย์น้อยแต่ก็มีความอิ่มใจภาคภูมิใจในทรัพย์ที่ตนหาได้ทรัพย์นั้นยั่งยืนมองหน้าผู้อื่นและลูกหลานได้สนิทยังมีอาการอื่นอีกอันเป็นการอนุโลมโจรกรรมคือหนึ่ง อุดหนุนโจรกรรมมีตัวอย่างเช่นรับซื้อของโจร 2. ปลอกลอกคือคบผู้อื่นด้วยหวังปลอกลอกทรัพย์เขาพอเขาหมดตัวแล้วก็หนีห่างจากไป 3. รับสินบนเช่นผู้พิพากษาบ้างทนายความบ้างรับสินบนของเขาแล้วทำให้ฝ่ายผิดเป็นฝ่ายถูก เจ้าหน้าที่อื่นๆเช่นตำรวจเป็นต้นก็ทำนองเดียวกันนอกจากนี้ยังมีฉายาโจรกรรมอีกบางอย่างเช่นหนลานทรัพย์ของท่านตัวอย่างเช่นทำร้ายสัตว์พาหนะของท่านด้วยความโกรธแค้นลอบวางเพลิงทำให้ทรัพย์สินท่านเสียหาย 2. หยิบฉวย คือหยิบฉวยทรัพย์ของผู้อื่นไปใช้ด้วยความมักง่ายเช่นลูกหลานถือเอาของพ่อแม่ไปโดยที่ท่านยังไม่อนุญาตเพื่อนเอาของเพื่อนเป็นต้นโดยไม่ใช่ถือเอาโดยวิสาสะเพราะวิสาสะต้องมีลักษณะของวิสาสะเช่นเจ้าของอนุญาตไว้หรือแน่ใจว่าเมื่อเราถือเอาไปแล้วเจ้าของเขาจักพอใจเป็นต้น สำหรับศีลข้อที่สาการมีสุมิชฉาจารนั้นไม่มีรายละเอียดสำหรับเพิ่มเติมจึงขอผ่านไปยังข้อสคือมุสาวาดเกี่ยวกับศีลข้อมุสาวาดมุสาวาดการพูดเท็จพร้อมด้วยองค์ประกอบดังต่อไปนี้จัดเป็นมุสาวาดยังมีข้อพิเศษคืออนุโล ม, มุสาและปฏิสวะ มุสาว่ามีรายละเอียดดังนี้หนึ่งปดคือมุสาตรงๆ 2. งสองทนสาบานมีตัวอย่างเช่นสาบานเท็จเพื่อให้เขาเชื่อถือเพื่อเอาตัวรอดสาบานต่อสารแล้วเบิกความเท็จเป็นตัวอย่างบอกว่าจะพูดความจริงแต่ใจตัวรู้อยู่ว่าจะพูดเท็จ 3. ทำเลขระเทเช่นอวดอ้างความขลังศักดิ์สิทธิ์ เพื่อให้คนเชื่อถือมุ่งเอาลาบและชื่อเสียงเป็นผลตอบแทนสมายาเจ้าเล่ห์แสดงกิริยาวาจาให้ผิดจากที่เป็นจริงเพื่อหลอกลวงเขาหาทำเล่ห์พูดเล่นสำนวนเช่นนั่งอยู่เห็นคนวิ่งผ่านมาพอมีคนมาถามว่าเห็นคนวิ่งผ่านมาหรือไม่เขายืนขึ้นแล้วตอบว่า ยืนอยู่ตรงนี้ไม่เห็นดังนี้เป็นต้น 6. กเสริมความมีมูลความจริงอยู่บ้างแต่เสริมให้มากกว่าที่เป็นจริงเจ็ 7. อามความมีมูลความจริงอยู่บ้างแต่อามความที่ไม่ต้องการเสียอนุโลมมุสาได้แก่หนึ่งด่าว่าเขาให้ต่ำกว่าที่เป็นจริงมุ่งหมายให้เขาเจ็บใจ 2. ประชดยกให้สูงกว่าที่เป็นจริงด้วยเจตนาประชด 3. ส, สับปรับพูดด้วยความขนองไม่ได้ตั้งใจจะให้เป็นเช่นนั้นสี่สอดเสียดนำความข้างนี้ไปบอกข้างโน้นนำความข้างโน้นมาบอกข้างนี้ด้วยจุดประสงค์จะให้เขาแตกกันหรือเพื่อให้ตนเป็นที่รักทั้งมุสาวาดและอนุโลมมุสานี้ แสดงอัธยาศัยไม่สะอาดของผู้พูดผู้มุ่งประพฤติจริยธรรมควรเว้นโทษของมุสาวาดมีมากหรือน้อยอยู่ที่วัตถุเจตนาและประโยคดังกล่าวแล้วในเรื่องปานาติบาตปฏิสวะคือรับคำแล้วไม่ทำไม่ตั้งใจพูดเท็จมีเจตนาบริสุทธิ์แต่ภายหลังไม่ได้ทำตามที่รับนั้นเพราะเหตุใดเหตุหนึ่งก็ตาม มีประเภทดังนี้หนึ่งผิดสัญญาทำสัญญาต่อกันทั้งสองฝ่ายว่าจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อมาภายหลังบิดพลิ้วไม่ทำสองเสียสัตว์เช่นให้สัตว์สาบานไว้ต่อผู้ใดผู้หนึ่งว่าจะทำหรือไม่ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งภายหลังบิดพลิ้วไม่ทำตามที่พูดไว้สคืนคำ ตัวอย่างเช่นออกปากว่าจะให้แล้วไม่ให้เป็นต้นข้อยกเว้นถ้าสัญญาสัตว์หรือคำพูดอันใดไม่ประกอบด้วยธรรมไม่ถูกต้องเมื่อรู้ภายหลังแล้วไม่ทำตามนั้นแม้จะผิดสัญญาเสียสัตว์และคืนคำก็ควรทำดีกว่าทำลงไปทั้งรู้อยู่ว่าผิดอีกเรื่องหนึ่งอันท่านไม่ถือเป็นผิด คือพูดตามที่เข้าใจว่าเป็นจริงยถาสัญญาแม้เรื่องไม่จริงแต่เข้าใจผิดท่านไม่ถือเป็นพูดเท็จแม้พระภิกษุที่สำคัญผิดในธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุว่าได้บรรลุแล้วพูดไปตามที่สำคัญผิดนั้นท่านไม่ปรับอาบัติหนักถึงปาราชิกโวหารคือถ้อยคำที่ใช้กันตามธรรมเนียมแสดงความสุภาพ หรือตามประเพณีนิยมเช่นลงท้ายจดหมายว่าด้วยความเคารพอย่างยิ่งตามฐานะของผู้รับทั้งๆ ท, ที่ไม่ได้เคารพพลั้งปากตั้งใจจะพูดอย่างหนึ่งแต่ไปพูดเสีย อ, อีกอย่างหนึ่งเพราะความพลัง้งเผลอนิยายการเขียนนิยายย่อมมีการแต่งเติมเสริมต่อเรื่องจริง เพื่อให้ดูเข้มข้นน่าสนใจชวนติดตามแม้เลยความจริงไปบ้างท่านไม่ถือเป็นเสียหายผู้ต้องการประพฤติจริยธรรมให้สมบูรณ์พึงเป็นผู้สำรวมวาจาให้มากพูดน้อยมีประโยชน์ดีกว่าพูดมากแต่ไม่มีประโยชน์พึงเว้นวจีทุจริตตั้งมั่นอยู่ในวจีสุจริตพึงค่อยๆฝึกฝนอบรมไปทีละน้อย จนเป็นผู้มีวาจาบริสุทธิ์น่าเชื่อถือสำหรับศีลข้อเว้นดื่มสุราเมรัยนั้นไม่มีรายละเอียดที่จะพึงกล่าวในที่นี้เพียงแต่ให้ผนวกเอาสิ่งเศษติดต่างๆมารวมไว้ในคำว่ามัชชะเท่านั้นตามในยะนี้เมื่อแปลน่าจะต้องแปลจากหน้ามาหลังคือเจตนาเว้นจากการดื่มสุราเมรยัย และเสพสิ่งมืนเมาเสพติดทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทหมายเหตุเรื่องที่หกจะได้กล่าวต่อไปในบทที่7หัวข้อจริยปรัิยาทางสังคมของพระพุทธศาสนา 2. จริยธรรมสิบประการอธิบายโดยนัยแห่งจริยธรรมสิบประการ ที่ถือเป็นพุทธจริยศาสตร์ระดับต้นได้แก่ 1. การไม่ประทุษร้ายต่อชีวิตร่างกายของบุคคลและสัตว์สัตว์โลกทุกชนิดไม่ว่ามนุษย์หรือดิรัจฉานย่อมรักชีวิตของตนมีความตั้งใจจะรักษาชีวิตไว้ให้ยาวนานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้มองเห็นชีวิตของตนมีคุณค่าควรแก่การถนอม เรามีความรู้สึกรักชีวิตของเราอย่างไรคนอื่นสัตว์อื่นก็มีความรู้สึกรักชีวิตของเขาอย่างนั้นจึงควรเอาใจเขามาใส่ใจเราด้วยเหตุนี้พระพุทธองค์จึงตรัสว่าผู้รักตนไม่ควรเบียดเบียนผู้อื่นถ้ามนุษย์เราไม่เบียดเบียนประทุษร้ายกันโลกมนุษย์สังคมมนุษย์จะสงบสุข ปราศจากความบาดระแวงมีโอกาสได้ชื่นชมต่อชีวิตของตนและของผู้อื่นที่เกี่ยวข้องตามสมควรนอกจากเว้นการเบียดเบียนกันเองแล้วมนุษย์ควรเว้นการเบียดเบียนสัตว์โลกประเภทอื่นๆด้วยเพราะเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันการประทุษร้ายกันจึงเป็นการก่อความทุกข์ให้เกิดแก่เพื่อนร่วมทุกข์เพิ่มขึ้นอีก จากความทุกข์ซึ่งเขาได้รับอยู่โดยปกติธรรมดาแล้ว 2. ความเมตตาการุณานอกจากไม่เบียดเบียนกันแล้วมนุษย์ควรมีเมตตาการุณาต่อกันคือปรารถนาดีต่อผู้อื่นเมตตาและหวังให้เขามีความสุขหรือช่วยปลดเรื่องความทุกข์ของกันและกันมีความหวั่นใจ ทนไม่ได้ต่อความทุกข์ความเดือดร้อนของผู้อื่นการุณาเช่นช่วยถือของหนักของผู้อื่นในรถโดยสารให้ที่นั่งแก่เด็กและคนชรารีกทางให้คนแบกหามของหนักเหล่านี้ล้วนเป็นการแสดงออกของความการุณาทั้งสิ้นมนุษย์เราแม้จะยากจนข้นแค้นเพียงไรและไม่อาจสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้อื่นทางวัตถุก็ตาม แต่มีสิ่งหนึ่งซึ่งทำได้โดยไม่ต้องลงทุนเป็นเงินทองหรือเรียวแรงนั่นคือการตั้งจิตเมตตาปรารถนาดีต่อผู้อื่นเช่นนึกอยู่เสมอๆบ่อยๆว่าขอให้เขามีความสุขพ้นจากทุกข์เถิดความนึกคิดอย่างนี้เรียกว่านึกด้วยเมตตาการุณาเมื่อจะทำอะไรกับใครก็ทำด้วยเมตตาการุณา เมื่อจะพูดก็พูดด้วยเมตตากรุณาเมตตากรุณามีอนุภาพทําลายความชั่วคือความพยาบาทและการคิดเปียดเบียนวิหิงสาบุคคลผู้มีใจเมตตากรุณาย่อมสร้างบุคลิกภาพให้เป็นคนมีเสน่ห์ดึงดูดใจผู้เข้าใกล้ให้มีความนิยมนับถือรักใคร่เอ็นดูรู้สึกอบอุ่นมีความสุขสงบ เมื่อได้เข้าใกล้สนทนาด้วยหรืออยู่ร่วมด้วยเสน่ห์อันน่าจับใจของคนนั้นมาจากเมตตาปราณีนั่นเองควรระลึกอยู่เสมอว่าเพื่อนมนุษย์ของเราทั้งหลายเรียบเหมือนดอกไม้ดอกเดียวกันแต่คนละกลีบหรือพยายามมองดูผู้อื่นเหมือนอวัยวะของเราเองเมื่อเป็นดังนี้ย่อมเป็นการง่ายที่จะรักเพื่อนมนุษย์ และสิ่งมีชีวิตทั้งหลายมีจิตใจอ่อนโยนละเอียดอ่อนสภาพจิตเช่นนี้ย่อมอำนวยสุขแก่บุคคลผู้นั้นเองนอกจากนี้ยังได้ความรักความปรารถนาดีตอบแทนมาจากคนทั้งหลายที่เข้ามาเกี่ยวข้องทำให้มีความสุขเพิ่มขึ้นเมตตาเป็นธรรมค้ำจุนโลกอย่างแท้จริงปราศจากเมตตากรุณาเสียแล้ว โลกนี้สังคมมนุษย์นี้จะพินาศไปอย่างแน่นอน 3. การไม่โลภและไม่ขโมยความโลภคือการอยากได้ของของผู้อื่นโดยไม่ชอบธรรมที่แสดงออกทางกายคือการล่วงละเมิดในทรัพย์สินของเขาเช่นการขโมยยักยอกช่อโกงเบียดบังที่ละเอียดไปกว่านี้ ความโลภคือการสะสมทรัพย์สินไว้เกินจําเป็นธรรมดาทรัพย์สินนั้นบุคคลหามาได้ด้วยความยากลําบากบางพวกต้องอาบเหงื่อต่างน้ําต้องทํางานหนักตัวเป็นเกลียวหรือที่เรียกว่าสายตัวแทบขาดบางพวกต้องตากแดดกรามฝนแช่น้ําเอาหลังสู้ฟ้าเอาหน้าสู้ดิน บางพวกต้องเสี่ยงอันตรายนานาประการเช่นอันตรายจากสัตว์ ร, ร้ายจากคนร้ายหรืออันตรายจากความพลั้งพลาดของตนบางพวกต้องรับผิดชอบงานเป็นอันมากไม่ได้กินไม่ได้นอนในเวลาที่ควรจะได้กินได้นอนบางพวกต้องนั่งหลังขดหลังแข็งทนต่อความเมื่อยขบทรมานกายทั้งวันทั้งคืนบางพวก ต้องทนต่อความสกปรกโสโครกของสิ่งปฏิกูลต่างๆและต้องทนต่อสายตาดูหมิ่นของผู้อื่นเป็นต้นความทุกข์ทรมานเหล่านี้เนื่องด้วยอาชีพการงานเพื่อให้ได้ทรัพย์สินมาเลี้ยงชีพของตนและคนใกล้เคียงเช่นครอบครัวและต้องสงเคราะห์คนที่ควรสงเคราะห์เพื่อความสบายใจของตน และเพื่อให้ผลจากคําตําหนิติเตียนของเพื่อนบ้านหรือหมู่คณะคนที่โลภอยากได้ของของผู้อื่นโดยไม่ชอบทำเช่นยักยอกชอกโกงหรือขโมยจึงเป็นการเบียดเบียนเขาให้เดือดร้อนเป็นบาปมากบาปนั้นจะติดตัวไปทั้งชาตินี้และชาติหน้าเป็นการหาความสุขความพอใจของตนบนความทุกข์ความเดือดร้อนของผู้อื่น ความทุกเช่นนั้นย่อมจะต้องยอกย้อนมาหาตัวเข้าสักวันหนึ่งเพราะผู้ให้ความทุกแก่ท่านทุกนั้นย่อมถึงตัวดุคตโตรุกขาฐานังอันหนึ่งลองนึกดูเถิดว่าถ้าคนอื่นเขาขโมยของเรายักยอกช่อโกงของเราเราพอใจหรือไม่เราเป็นทุกข์หรือไม่ควรเอาใจเขามาใส่ใจเราในเรื่องอย่างนี้ ในระดับที่สูงขึ้นไปหรือมองให้ละเอียดลงไปอีกการสะสมทรัพย์สินไว้มากเกินจำเป็นถือว่าเป็นความโลภเหมือนกันเท่าไรเรียกว่าเกินจำเป็นอันนี้ทุกคนพอรู้ได้ด้วยตนเองคนแต่ละคนมีความจำเป็นไม่เท่ากันตัวของตัวนั่นแหละย่อมรู้ดีว่าเท่าไรจึงเกินจำเป็น คนเราเกิดมาความสามารถไม่เท่ากันถ้าคนที่มีความสามารถมากสะสมทรัพย์สินไว้เป็นส่วนของตนมากเกินไปคนที่สามารถน้อยร้อยปัญญาก็จะขาดแคลนหาทรัพย์สินมาเลี้ยงตัวได้ยากเข้าทุกทีเพราะทรัพยากรต่างๆมีอยู่อย่างจำกัดสภาพของสังคมก็จะเป็นว่าคนที่มั่งมีก็มีมากเกินไป คนที่ยากจนก็จนเกินไปทำให้บ้านเมืองไม่เจริญบุคคลไม่มีความผาสุขด้วยเหตุนี้บุคคลจึงไม่ควรโลภไม่ควรขโมยไม่ควรล่วงละเมิดในทรัพย์สินของผู้อื่นและไม่ควรสะสมทรัพย์สินไว้เกินจำเป็น 4. ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และการเสียสละได้กล่าวมาในหัวข้อที่สามบ้างแล้วว่า คนเราเกิดมามีความสามารถไม่เท่ากันแม้จะมีอวัยวะสมบูรณ์เหมือนกันก็ตามนอกจากนี้บางคนยังเกิดมาพิการเสียอีกความพิการย่อมจะต้องบั่นทอนความสามารถของเขาให้น้อยลงบางคนพิการมากจนถึงกับพึ่งตนเองไม่ได้ต้องอาศัยผู้อื่นอยู่ไปตลอดชีวิต ตัวเขาเองต้องทนทุกทรมานกับความพิการนั้นเป็นอันมากเช่นคนตาบอดทั้งสองข้างเป็นต้นเป็นมนุษย์ที่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันควรเมตตาสงสารและให้ความช่วยเหลือตามโอกาสอันควรบางคนเกิดมาอวัยวะสมบูรณ์ร่างกายแข็งแรงทำงานช่วยตัวเองและสังคมได้ดี แต่ต่อมาต้องพิการขาขาดแขนด้วนตาบอดหูหนวกเป็นอัมาพาตเพราะอาสาป้องกันประเทศชาติเช่นทหารที่ออกสงครามหรือตำรวจตระเวนชายแดนตำรวจที่ออกทำหน้าที่บำบัดทุกป์บำรุงสุขของประชาชนถูกผู้ร้ายยิงหรือแทงถึงพิการท่านเหล่านี้ล้วนเอาชีวิตร่างกายของตน ออกรับคมหอคมดาบและลูกปืนเพื่อให้ประชาชนทั่วไปอยู่เป็นสุขนับว่าเป็นผู้เสียสละที่น่าสรรเสริญผู้ที่ช่วยตัวเองได้มีทรัพย์สินพอจะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้แก่คนพิการเหล่านี้ได้ก็ควรช่วยเหลือเป็นอย่างยิ่งช่วยแล้วให้มีความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับนอกจากนี้ บางคนแม้จะสมบูรณ์พอเลี้ยงตนเองได้แต่ก็อาจมีความขาดแคลนในบางคราวด้วยเหตุบางอย่างเช่นน้ำท่วมไฟไหม้หรือถูกโจนปล้นผู้มีจริยธรรมควรยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือร่วมมือกับรัฐบาลองค์การสงเคราะห์ผู้ตกยากขาดแคลนผู้ที่ช่วยเหลือคนที่ควรช่วยเหลืออยู่เสมอ เมื่อตนเกิดวิบัติขัดข้องต้องการความช่วยเหลือบุญกุศลย่อมชักนำให้ผู้อื่นช่วยเหลือทันท่วงทีเหมือนกันผู้ช่วยเหลือผู้อื่นจึงเท่ากับสะสมสิ่งที่จะช่วยเหลือตัวเองไว้นั่นเองสิ่งนี้ซ่อนเร้นอยู่อย่างลึกลับและจะปรากฏขึ้นเมื่อถึงเวลาอันควรเหมือนดอกไม้และผลไม้ซ่อนอยู่ไม่ปรากฏ แต่พอถึงคราวก็ออกดอกออกผลให้เห็นหน่าชื่นใจบุคคลผู้เห็นการไกลจึงควรหัดเสียสละวันละเล็กคราวละน้อยเป็นการสร้างนิสัยอุปนิสัยและอัธยาศัยที่ดีให้แก่ตนอุปนิสัยนี้จะค่อยๆ อ, อย่างรากลงลึกกลายเป็นนิสัยสันดานที่มั่นคงทำลายได้ยากความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และการเสียสละ จะค่อยๆแผ่ขยายวงกว้างออกไปและทำสิ่งที่คนอื่นทั้งหลายทำได้ยากขึ้นทุกทีเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อความดีและความสุขของโลกมองในแง่การลงทุนการเสียสละเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งคนที่ไม่ยอมลงทุนย่อมจะไม่ได้อะไรกลับมา หรือไม่มีอะไรงอกเงยขึ้นแม้คนที่อยากได้กําลังมากๆก็ต้องออกกําลังไปก่อนแล้วกําลังจึงจะกลับคืนมาและกลับคืนมามากกว่าที่ออกไปความเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่และการเสียสละเป็นคุณธรรมสําคัญประการหนึ่งที่สร้างความนิยมนับถือผูกมิตรีทาคนเกลียดให้รัก ทำคนที่รักอยู่แล้วให้มีความรักดูดตื่นยิ่งขึ้นการเอื้อเฟื้อและการเสียสละที่เหมาะสมย่อมมีผลดีเสมอ 5. การไม่ละเมิดของรักของผู้อื่นของรักของผู้อื่นนั้นหมายรวมถึงบุคคลสิ่งของหรือบุคคลที่เขารักเขาย่อมหวงแหนผู้มีจริยธรรมดีจึงต้องตั้งใจงดเว้นไม่ล่วงละเมิด การไม่ล่วงละเมิดนั้นเป็นการเคารพสิทธิ์โดยชอบธรรมของผู้อื่นทําให้ไม่ก่อศัตรูไม่ก่อเวรแม้การยืมของใช้ก็เหมือนกันถ้ารู้ว่าเจ้าของเขากําลังรักกําลังหวงแหนผู้ต้องการยืมก็ควรงดเว้นอดใจไว้ก่อนเช่นนาฬิกาเพื่อนซื้อมาใหม่ๆเสื้อผ้าที่เขาตัดหรือซื้อมาใหม่ๆไม่ควรยืมใช้ การยืมในกรณีอย่างนี้เป็นการเสียมารยาทเสียสมบัติผู้ดีแม้เจ้าของเขาจะยอมให้ยืมก็เพราะขัดไม่ได้ไม่ใช่พอใจเขาคงแอบไม่พอใจอยู่เป็นแน่และคงนึกตำหนิอยู่ในใจว่าเราเป็นคนไม่มีมารยาทไม่รู้จักเกรงใจคนสำหรับบุคคลภรรยานับว่าเป็นที่รักของสามี และสามีก็เป็นที่รักที่หวงแหนของภรรยาจึงไม่ควรล่วงละเมิดในภรรยาหรือสามีของผู้อื่นการล่วงละเมิดเช่นนั้นเป็นการก่อเวรภัยก่อศัตรูกแก่ตนเองและคนที่เกี่ยวข้องทำให้ต้องบาดหมางกันถึงกับตกตีฆ่าฟันกันตามที่มีข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์และสื่อสารมวลชนอื่น เช่นวิทยุเป็นต้นอยู่เสมอเสมอนอกจากโทษในชาตินี้หรือเวรภัยอันตรายและการถูกติเตียนแล้วยังมีโทษในชาติหน้าอีกเช่นตกนรกหรือถูกแย่งของรักอยู่เนืองๆในชาติต่อๆไปอะไรก็ตามที่เขารักย่อมมีความหมายมากสำหรับผู้นั้นไม่ว่าจะเล็กน้อยเพียงไรในความรู้สึกของเรา จงดูตัวอย่างเด็กที่กําลังเพลินด้วยของเล่นแล้วถูกแย่งของเล่นไปในความรู้สึกของผู้ใหญ่อาจเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ในความรู้สึกของเด็กเป็นเรื่องใหญ่เด็กที่ถูกแย่งรถยนต์คันเล็กๆที่ตนกําลังเล่นอยู่ย่อมมีความรู้สึกสะเทือนใจเท่ากับผู้ใหญ่ที่กําลังขับรถยนต์อยู่แล้วมีคนมาแย่งเอาไปเหมือนกัน เพราะฉะนั้นผู้มีจริยธรรมจึงควรสำรวมตนเกี่ยวกับเรื่องของรักของผู้อื่นเสมอหกการรู้จักความพอดีความพอดีหมายถึงความพอเหมาะความพอประมาณความเป็นกลางระหว่างความน้อยเกินไปกับมากเกินไปข้อความดังกล่าวนี้ทางพระพุทธศาสนาเรียกว่ามัตตัญยุตาบ้าง เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางบ้างมีสุภาษิต ท, ทางพระพุทธศาสนาอยู่ข้อหนึ่งว่าความพอดีนั้นดีเสมอมัตตัญุตาสดาสาธุคือไม่ว่าอะไรถ้าพอดีแล้วก็ดีไม่เอียงสุดไปข้างใดข้างหนึ่งไม่มากไม่น้อยเสื้อผ้าที่บุคคลสวมใส่ต้องพอดีกับตัวของผู้สวมผู้ใช้ ไม่คับเกินไปไม่หลวมเกินไปอาหารที่บริโภคต้องพอดีกับความต้องการของร่างกายในเวลานั้นการบริโภคมากเกินไปทำให้อึดอัดน้อยเกินไปทำให้ระหยละเหียอ่อนเพลียทำอะไรไม่ค่อยได้อาจทำให้ผอมเกินไปอาหารที่ให้ความสุขแก่ร่างกายต้องพอดีทั้งคุณภาพและปริมาณ แม้ยารักษาโรค ก, ก็เหมือนกันชื่อว่ายาใครๆก็รู้ว่ามีคุณภาพในการรักษาโรคบาบัดโรคแต่ต้องรับประทานแต่พอดีตามที่แพทย์สั่งทั้งขนาดและเวลารับประทานน้อยเกินไปทำให้โรคดื้อยามากเกินไปร่างกายสู้ไม่ไหวเป็นโทษแก่ร่างกายหลายอย่างสมมุติว่ามีใครสักคนอยากหายโรคเร็ว หมอให้ยามากินเจวันจำนวน14เม็ดให้กินเช้าเย็นแต่เขาอยากหายเร็วๆจึงกินครั้งเดียวทั้ง14เม็ดเพราะคิดจากหลักคำนวณว่ากินวันละสองเม็ดเจวันหายถ้าอยากหายวันเดียวก็ต้องกิน14เม็ดจึงกินทั้ง14เม็ดครั้งเดียวเขาอาจแพ้ยาอย่างมากและอาจถึงกับเสียชีวิตก็ได้เพราะกินยาไม่พอดี การพูดจาเกี่ยวกับคนก็ต้องอาศัยความพอดีเหมือนกันพูดน้อยเกินไปก็ไม่สำเร็จประโยชน์ที่ต้องการพูดมากเกินไปก็เป็นที่ราคาญของคนทั้งหลายเพราะไม่ยอมหยุดพูดแม้หมดเรื่องจะพูดแล้วอีกฝ่ายหนึ่งคือฝ่ายที่พูดน้อยเกินไปแม้มีเรื่องที่สมควรจะพูดก็ไม่พูดเพราะฉะนั้นความพอดีในการพูดก็คือ พูดเมื่อจําเป็นต้องพูดและพูดแต่พอประมาณหยุดพูดเมื่อหมดเรื่องจะพูดแล้วนักเรียนที่เรียนหนังสือก็ต้องเรียนแต่พอดีเรียนมากเกินไปอาจไม่สำเร็จเพราะโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนเชก่อนเรียนน้อยเกินไปก็ไม่พอกับความยากและความสูงขึ้นของวิชาคนทำงานก็เหมือนกันต้องพอดีรวมความว่าความพอดี ความพอประมาณหรือทางสายกลางนั้นเป็นจริยธรรมอันประเสริฐ ท, ที่จะอำนวยความสุขสวัสดีและความสำเร็จแก่ชีวิต 7. การไม่พูดปดการพูดปดคือวาจาอันคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงโดยผู้พูดมีเจตนาคือผู้พูดรู้อยู่ว่าไม่จริงแต่ต้องการกล่าวให้คลาดเคลื่อนด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง การกล่าวเท็จจะเป็นการแสดงถึงความขาดของผู้กล่าวเพราะไม่อาจสู้กับความจริงได้คนที่กล่าวเท็จอยู่เนืองๆย่อมขาดความเชื่อถือจากผู้อื่นแม้บางคราวจะพูดจริงบ้างก็ไม่มีใครค่อยจะเชื่อถือทำให้ขาดความไว้วางใจขาดความนิยมเลื่อมใสเป็นการทำตนให้ตกต่ำไร้เกียรติ สุภาษิตโบราณว่าค่าช้างเพื่อจะเอางาเจรจาเพื่อจะเอาถ้อยคาเมื่อผู้ใดมีวาจาที่เชื่อถือไม่ได้เสียแล้วการเจรจาจะมีประโยชน์อันใดมีแต่เสียเวลาเปล่านอกจากนี้การกล่าวเท็จจะมีโทษมากถ้าคำนั้นไปหากลานประโยชน์ของผู้อื่นมากเช่นการเป็นพยานเท็จในศาล ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งต้องเสียทรัพย์เสียชื่อเสียงหรือเสียอิสรภาพเพราะต้องจองจำการทำอย่างนี้เป็นบาปมากผู้มีจริยธรรมย่อมตั้งใจงดเว้นจากการพูดปดแม้เพื่อประสงค์จะล้อกันเล่นก็ไม่สมควรนอกจากเว้นจากการพูดปดแล้วยังควรเว้นจากการพูดอําพรางความจริง เว้นจากการพูดคำหยาบและเว้นจากการพูดยุยงให้ควรแตกแยกกันที่เรียกว่าคำส่อเสียดถ้าจะให้ดีควรเว้นจากการพูดเหลวไหลไรสาระเสียด้วยคำหยาบพรุสวาจามีหลายลักษณะเช่นคำด่าคำไม่สุภาพคำเสียดสีคำกระทบกระเทียบเปรียบเรื่ย คำเหล่านี้ไม่มีใครประสงค์ฟังคนฟังฟังแล้วสะเทือนใจไม่สบายใจเราฟังจากคนอื่นมีความรู้สึกอย่างไรเมื่อคนอื่นฟังจากเราก็มีความรู้สึกอย่างนั้นเมื่อเอาใจเขามาใส่ใจเราแล้วผู้มีจริยธรรมจึงไม่ควรพูดคำหยาบเช่นคําด่ายกเว้นคําด่าว่าด้วยความปรารถนาดี ต้องการให้เขาได้ดีมีสุขในภายหน้าไม่ประสงค์ให้เขาเจ็บใจและในเวลานั้นจิตไม่โกรธเมื่อจิตไม่โกรธและคำที่พูดนั้นเต็มไปด้วยความปรารถนาดีถึงจะว่าแรงแรงท่านก็ไม่ถือเป็นคำหยาบคำส่อเสียดปิสุนาวาจาคือคำยุยงให้เขาแตกแยกกันมีความประสงค์ให้คนทะเลาะวิวาทหรือแตกแร้กัน คนอื่นจะแตกกันสมหมายหรือไม่ก็ตามเมื่อเขาฟังเข้าใจแล้วก็ถือเป็นคําส่อเสียดผู้ผู้สอเสียดบางทีก็มีจุดหมายให้ตนเป็นที่รักของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่คนสอเสียดย่อมไม่เป็นที่รักของใครจริงสิ่งที่ได้รับตอบแทนมาก็คือความไม่ไว้วางใจและความเกลียดชังจึงควรเว้นคาสอ่อเสียดเสีย คำเพรสเจอร์ไร้สาระสัมผัสปลาปะนั้นทำให้นิสัยเสียอีกด้วยพูดบ่อยๆเข้าเกิดความเคยชินไม่พูดอยู่ไม่ได้ต้องเที่ยวพูดเพรสเจอร์กับคนนั้นคนนี้ทำให้คนอื่นพลอยเสียเวลาไปด้วย 8. การมีสัจจะและความจริงใจสัจจะเป็นภาษาบาลีแปลว่าความจริงบางทีในภาษาไทยใช้คำสันสกฤตว่าสัต ก็มีคำแปลอย่างเดียวกันความมุ่งหมายในข้อว่าการมีสัจจะและความจริงใจนี้คือให้มีความจริงทางกายวาจาและใจจริงกายหมายถึงมีความสุจริตทางกายคือไม่ประพฤติหลอกลวงผู้ใดให้หลงเข้าใจผิดด้วยการเสียแ้งแกล้งทำเพื่อจุดมุ่งหมายบางอย่างการทำอย่างนี้เป็นการหลอกลวงเรียกว่าคดกาย เมื่อเขาจับได้ภายหลังก็ต้องเดือดร้อนและทำให้ขาดความเชื่อถืออันหนึ่งจริงกายมีความหมายอีกทางหนึ่งว่าจะประพฤติสิ่งใดก็ประพฤติให้ได้จริงไม่จับจดโลเลเมื่อพิจารณาว่าเป็นทางดีแล้วก็ประพฤติได้สม่ำเสมอไม่จืดจางง่ายกระทำได้ติดต่อจนเป็นนิสัยอันยั่งยืน จริงวาจาคือการพูดจริงที่เรียกว่าสัจจะวาจาไม่หลอกลวงผู้ใดให้เข้าใจผิดด้วยวาจาแต่การพูดคำจริงนั้นจะต้องพิจารณาถึงกาลเทศะและบุคคลรวมทั้งประโยชน์และความยุติธรรมหมายความว่าควรพูดในเวลาและสถานที่ที่ควรพูดกับบุคคลที่ควรพูด ในการพูดนั้นควรคำนึงถึงประโยชน์และความยุติธรรมด้วยถ้าเห็นว่าคำจริงนั้นไร้ประโยชน์และไม่ยุติธรรมก็งดเว้นเสียไม่ใช่เห็นว่าจริงแล้วเที่ยวพูดพล่ามไปจริงใจความจริงใจคือความสุดจริตใจมีใจซื่อตรงไม่เป็นคนปากอย่างใจอย่างเมื่อจะแสดงออกก็แสดงอย่างจริงใจ ความจริงใจมักมีเสน่ห์เสมออันหนึ่งความจริงใจแสดงถึงความเป็นผู้กล้าหาญและเคารพตนเองความเคารพตนเองทำให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเองความเชื่อมั่นในตนเองทำให้ทำพูดคิดด้วยความมั่นใจเป็นลักษณะของผู้มั่นคงไม่เหลาะแหละเชื่อถือได้ จัดเป็นจริยธรรมสําคัญอย่างหนึ่งของชีวิต 9. กาการไม่ลองและเสพสิ่งเสพติดให้โทษสิ่งเสพติดให้โทษมีหลายอย่างเช่นสุราเมรยัยฟินเฮโรอีนหรืออื่นๆในเครือเดียวกันเช่นกัญชาเป็นอาธิแม้บุหรี่ก็เป็นสิ่งเสพติดให้โทษเหมือนกัน สิ่งเสพติดบางอย่างเช่นสุราเมรยัยและฝิ่นนั้นถ้าใช้เพียงเล็กน้อยก็เป็นยาได้กัญชาผสมในอาหารเพียงเล็กน้อยก็ทาให้อาหารอร่อยอยากแก้ปวดท้องท้องเสียบางอย่างผสมสุราอย่างเจือจางบางอย่างผสมฝิ่นเล็กน้อยส่วนบุหรี่นั้นยังมองไม่เห็นคุณแก่ร่างกาย อา จ, จมีส่วนในการผ่อนคลายอารมณ์ตึงเครียดได้บ้างสำหรับผู้ที่ติดมันแล้วแต่มีโทษทางอื่นๆเช่นมีโทษแก่หลอดลมและลำคอตลอดจนถึงปอดมากเฮโร อ, อีนและอื่นๆในเครือเดียวกันเป็นยาเสพติดให้โทษร้ายแรงทำลายร่างกายจิตใจและอนาคตของผู้เสพอย่างรวดเร็วรุนแรงจึงควรเว้นอย่างเด็ดขาด สุราเมรัยนั้นเป็นที่นิยมของสังคมทุกระดับชั้นถ้าดื่มบ้างเล็กน้อยแต่พอประมาณและไม่บ่อยนักไม่ถึงขั้นอบายามุก ค, คือไม่ถึงตกเป็นทาตของมันก็พอทำเนาดื่มไม่ให้เมาและไม่ถึงขีดครองสติไม่อยู่เสียความเป็นสุภาพชนจะทำได้อย่างนี้ก็ต่อเมื่อผู้ดื่มคอยมีสติยับยั้งรู้จักประมาณในการดื่ม รู้จักเว้นในการควรเว้นเช่นเว้นการดื่มในวันพระหรือในวันสำคัญทางศาสนาในเวลาที่ร่างกายเจ็บป่วยเป็นโรคบางอย่างซึ่งจะกำเริบรุนแรงเมื่อดื่มสุราเมรไรเช่นโรคกระเพาะลำไส้หรือโรคติดเชื้อบางอย่างของในโลคนี้บางอย่างมีโทษโดยส่วนเดียวบางอย่างมีโทษเมื่อเกินพอดี บางอย่างมีคุณเมื่อปฏิบัติถูกต้องและให้โทษเมื่อเกินพอดีหรือไม่ถึงขีดพอดีหรือจะกล่าวให้สั้นก็คือของในโลกนี้มีทั้งคุณและโทษจะเป็นคุณถ้าเข้าไปเกี่ยวข้องในด้านคุณและจะเป็นโทษเมื่อเข้าไปเกี่ยวข้องในด้านโทษจะเป็นคุณเมื่อปฏิบัติถูกต้องควบคุมให้อยู่ในทางที่เหมาะสมและเป็นโทษเมื่อปฏิบัตไม่ถูกต้อง ไม่ได้รับการควบคุมให้เหมาะสมเพราะพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้พระฉันอาหารที่ปรุงผสมสุราได้ก็เพราะทรงคำนึงถึงจำนวนที่ไม่ถึงขั้นเป็นโทษของมันการเสพสิ่งเสพติดให้โทษจนถึงขั้นที่เรียกว่าติดมันหรือตกเป็นทาสของมันนั้นมีโทษโดยส่วนเดียวจะต้องเสียทรัพย์มากมายทาให้หงุดหงิด โปรดง่ายและลืมตัวก่อการทะเลาะวิวาทเมื่อดื่มจนมืนเมาครองสติไม่อยู่ทาให้เกิดโรคได้หลายอย่างหรือเป็นเหตุให้โรคที่เป็นอยู่แล้วกาเริบขึ้นถูกตำหนิติเตียนโดยวินยูชนคือผู้รู้ผู้เป็นปราชญ์ทำให้ความละอายลดลงหรือถึงกับสิ้นความละอายนอกจากนี้ยังเป็นการทอนกำลังปัญญา ทำให้สติปัญญาเสื่อมทรามลง 10. ความเป็นผู้มีสติรู้จักยับยั้งชั่งใจรู้สึกผิดชอบชั่วดีสติคือความระลึกรู้หรือระลึกได้ว่าเคยทำอะไรเคยพูดอย่างไรบ้างตลอดถึงขณะที่กำลังทำกำลังพูดอยู่ก็มีสติไม่เผลอสติ มีสติควบคุมการทำการพูดตลอดถึงความรู้สึกนึกคิดสติมากมาคู่กับสัมปชัญญะคือความรู้สึกตัวหรือรู้ตัวว่าตนเป็นอย่างไรอยู่ในฐานะอย่างไรบางคนถล่มตัวเข้าไปในทางผิดแล้วก็ไม่รู้สึกตัวเพราะขาดการสำรวจตรวจตราบางคนทำความผิดเพราะขาดสติเช่นถูกยั่วให้กโกรธ โรธอย่างแรงจนลืมตัวไปทำร้ายเขาถึงบาดเจ็บหรือตายตัวเองต้องโทษจำคุกบ้างถูกประหารชีวิตบ้างทั้งนี้ก็เพราะขาดสติเป็นเครื่องยับยั้งช่างใจเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าสติเป็นเครื่องยับยัง้งเป็นเครื่องกั้นกระแสแห่งกิเลสหรือความชั่วสติเตสังนิวาระนัง บางคนเสพของมืนเมาจนขาดสติทำอะไรลงไปโดยไม่รู้สึกตัวทำความผิดหรือแสดงกิริยาหยาบคายต่อผู้อื่นตอนกลางคืนเพราะมืนเมาพอเช้าขึ้นก็ไม่รู้ระลึกไม่ได้ว่าตนได้ทำอะไรกับใครทั้งนี้เพราะความมืนเมาทำให้ขาดสติคนบ้านั้นบางทีก็เรียกว่าคนเสียสติ คนพวกนี้ทําพูดโดยไม่รู้สึกตัวเหมือนกันบางคนยังไม่ถึงกับบ้าเป็นแต่เพียงสติไม่ค่อยดีมีอาการเลื่อนลอยป้มปๆมเป๋ะเป๋สติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวคนมีสติอยู่เสมอช่วยให้รู้จักยับยั้งชั่งใจไม่ทําอะไรโดยผลผลันด่วนได้ด่วนแตกจากมิตรเป็นผู้รอบคอบอย่างที่โบราณท่านว่า ให้นับหนึ่งถึงสิบหรือนับหนึ่งถึงร้อยเสียก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรลงไปความเป็นผู้มีสติคือความไม่ประมาทความไม่ประมาทคือความระวังตัวความรอบคอบการคิดหน้าคิดหลังโดยถี่ท้วนไม่ผุนผันผันเล่นความไม่ประมาทพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นทางไม่ตายอปะปมาโดอัมตังประดัง มีนคนที่ต้องเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุต่างๆจำนวนไม่น้อยอันสืบเนื่องมาจากความประมาทบางทีก็เพราะคึกขนองสนุกสนานมากเกินไปบางทีก็เพราะเสพของมึนเมาเข้าไปเต็มที่จนขาดความยับยั้งไม่ได้คำนึงถึงความรับผิดชอบที่ตนมีต่อผู้อื่นทำให้ผู้ที่อาศัยโดยสารมาด้วยต้องเจ็บและตายลงจานวนมาก นี่ก็เพราะประมาทขาดสติส่วนความรู้สึกผิดชอบชั่วดีนั้นท่านเรียกว่ามโนธรรมหมายถึงความสำนึกของใจสำนึกรู้ว่าอะไรผิดอะไรชอบอะไรชั่วอะไรดีแล้วเว้นสิ่งที่ผิดที่ชั่วเสียกระทำแต่สิ่งที่ถูกที่ชอบหรือที่ดีมโนธรรมเป็นสิ่งสำคัญในตัวคน บางคนมีการศึกษาน้อยแต่มีมโนธรรมดีก็สามารถตั้งตนไว้ในทางที่ชอบได้บางคนมีการศึกษาเล่าเรียนสูงแต่มีมโนธรรมน้อยมีใจต่ำไม่อาจตั้งตนไว้ในทางที่ชอบได้ต้องล่มจมล้มเหลวในชีวิตเอาตัวไม่รอดมโนธรรมจึงมีความสำคัญต่อชีวิตของบุคคลมาก คนมีมโนธรรมดีเป็นคนดีน่าคบหาสมาคมและเป็นประโยชน์แก่คนหมู่มาก